รรมบทแปลเรื่องที่สีภาคที่หนึ่งเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงปรารอหญิงหมันคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะิเวเรนะเวลานิสัมมันตีทะกุทาจะนัง อเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนแปลว่าในการไห น, ไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงรับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงรับด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่าดังได้สดับมาบุตรของกุกุมพี คนหนึ่งเมื่อบิดาทํากาล้าแล้วทำงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองเลี้ยงดูมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกกับเขา ว, ว่าพ่อเอ๋ยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบูตกล่าวว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันเลี้ยงดูแม่ไปจนตลอดชีวิตได้พ่อ เจ้าคนเดียวทำงานทั้งอยู่ที่นาและที่บ้านด้วยเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขาแม้ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมารนานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งลำดับนั้นบุตรถามมารดาว่าจะไปไหนเมื่อมารดาบอกว่า จะไปตระกูลชื่อโนโนท์ดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นมั่นนางกุมาริกาไว้แล้วกำหนดวันแต่งงานนำนางกุมาริกาคนนั้นมาให้อยู่ในเรือนของบุตรนางกุมาริกานั้นได้เป็นหญิงหมัน่นในที่นั้น บานดาจึงพูดกับบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วแต่บัดนี้นางนั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปด้วยเหตุ น, นั้นแม่จะนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม่บุตรนั้น กล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นอยู่บ่อยๆหญิงมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้แม่ผัวกิจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นมันมาแล้วก็จะใช้เราอย่างนางทาตถ้าไครเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่ง มาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งข อ, อนางกุมาริกามาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหล่อนพูดอะไรเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายบุตรีของท่านเมื่อได้บุตรแล้วจะได้เป็นเจ้าของสมบัติ ขอท่านโปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของฉันเถิดนันนี้แล้วอย่างตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมาญิงมันนั้นได้มีความปรีพิตกว่าค้านนางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรีไซจะเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวควรที่เราจะทําให้นางนั้นไม่ได้ทารคเลย ลำดั บ, บนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางนั้นว่าถ้าคันตั้งขึ้นในท้องของหล่อนเมื่อใดขอให้หล่อนจงบอกแก่ฉันเมื่อนั้นนางนั้นรับคำแล้วเมื่อตั้งคันได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแหลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิดภายหลัง นางได้ให้ยาสำหรับทำคันให้ตกคือเป็นแทงปนกับอาหารแกนางนั้นคันก็ตกคือแทงลูกแม้ตั้งคันเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นอีกแม้หญิงหมันก็ได้ทำคันให้ตกคือแทงด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหละเป็นครั้งที่สองลำดับนั้น พวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนางนั้นว่าหญิงที่ร่วมสามีทําอันตรายกับหล่อนบ้างหรือไม่นางแจ้งความนั้นแล้วถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงโง่เหตุไรหล่อนจึงทําอย่างนั้นเล่าหญิงมันนี่แหละได้ประกอบยาสําหรับทําคันให้ตกให้แก่หล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่ด้วยเหตุนั้น ทันของหล่อนจึงตกหล่อนจะได้ทําอย่างนี้อีกอย่งนี้และในครั้งที่สามเมื่อตั้งคันจึงไม่ได้บอกแก่หญิงหมนนั่นั้นต่อมาฝ่ายหญิงหมั่เห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่ตั้งคันแก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนําฉันมาแล้วทําคัน ให้ตกไปถึงเสียสองครั้งแล้วฉันจะบอกแกหลอนทำไมหญิงหมันนั้นจึงคิดว่าแบบ น, นี้เราชีบหายเสียแล้วก็คอยแลดูความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่แต่เมื่อคันแกเต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบยาให้แล้วแต่คันไม่ตกเพราะว่าคันแก่แต่ลูกในคันจึงนอนขวาง เิดเวทนาแข็งกล้าขึ้นกับนางนั้นนางถึงความสงสัยในชีวิตว่าจะรอดหรือไม่จึงได้ตั้งความปรารถนาว่าก็เราถูกมันทำให้ชีบหายแล้วมันเองนำเรามาทำตารกให้ชีบหายถึงสามคนแล้วบัดนี้แม้ตัวเราเองก็อาจจะไม่รอดถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษณี และขอให้ได้เคี้ยวกินทารกของมันเถิดอังนี้แล้วตายไปแล้วเกิดเป็นแมวในเรือนนั้นนั่นเองฝ่ายสามีจับหญิงหมันได้แล้วกล่าวว่าจะได้ทำการตัดตระกูลของเราให้กาดศูนย์สามีจึงทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้าแล้วหญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บปวดนั่นแหละ แล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันตอนผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวรต่อการไม่นานแม่ไก่ได้ออกไข่หลายฟองแม่แมวมากินฟองไข่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแม่ไก่จึงทำความปรารถนาว่า มันกินไข่ของเราถึง3มครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะกินตัวเราด้วยถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วขอให้พึงได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวก็ได้เกิดเป็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อสายในเวลาที่แม่เนื้อนั้นตกลูกแล้ว แม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทําความปรารถนาว่าพวกลูกของเราถูกแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะกินตัวเราด้วยถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึงขอให้ได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้ว ได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษินีฝ่ายแม่เสือเหลืองเคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นกุลธิดาคือหญิงสาวมีตระกูลในเมืองสาวัตถีหญิงสาวนั้นถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีซึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่ง นางยักษิซีนีจึงจำแรงตัวเป็นหญิงสายที่รักของนางนั้นมาแล้วถามว่าหญิงสายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าคลอดบุตรอยู่ในห้องนางยักษิซีนีฟังคำนั้นแล้วแซงพูดว่าหญิงสายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจะดูเด็กนั้น แล้วเข้าไปทําเป็นแลดูอยู่จับทารกกินแล้วก็ไปถึงในขนที่สองเพได้กินเสียเหมือนกันในขนที่สามนางกุลิิดามีคันแกจึงเรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษ์ศีตัวหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วเดี๋ยวนี้ ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันเพื่อคลอดบุตรดังนี้แล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษณีนั้นได้เข้าเวนส่งน้ําให้กับท้าเวสุวรรณโดยว่านางยักษณีทั้งหลายต้องตักน้ําจากสะอนุดาดทูลบนศีรษะ มาเพื่อเท้าเวสวร์ตามวาระต่อล่วงเวลาสี่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงพ้นจากวาระนั้นนางยักษณีเหล่าอื่นมีร่างกายบอบช้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษ์เีนั้นพอพ้นจากวาระส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่า หญิงสาวให้ของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านก็บอกว่าท่านจะพบนางได้ที่ไหนเล่าเพราะว่านางยักษินีตนหนึ่งกินทารกของนางในที่คลอดแห่งนี้เพราะฉะนั้นนางจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเพื่อคลอดบุตรนางนี้นางยักษินีนั้นคิดว่าหล่อนไปในที่ไหนก็ตามเถิดจะไม่พ้นจากเราได้นางนี้แล้ว อันกำลังเวนให้อุตสาหาแล้ววิ่งบายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายกุลธิดาในวันตั้งชื่อทารกก็ให้ทารกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วเล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันกลับไปสู่เรือนของเราเถิดจึงได้อุ้มบุตรเดินไปตามทางอันตัด ไปในถ้ำกลางวิหารกับสามีมอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระโบกกรณีข้างวิหารเชตวันขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีลงไปอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมและเห็นหนางยักษินีกำลังมาจำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่า นายรีบมาเร็วนี้นางยักษณีตนนั้นเมื่อไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาถึงได้จึงกลับหลังวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารเฉดวันแล้วตอนเวณไม่ระ ง, งับด้วยเวนแต่ระ ง, งับด้วยการไม่ผูกเวนก็ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรม อยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลติดานั้นได้ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทพระตาตากเจ้าแล้วกราบตูนว่าหม่อมฉันขอถวายบุตรนี้แก่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดก็ในที่นั้นสุมนาเทพผู้สิงสถอยู่ที่ซุ้มประตู มหาวิหารเจดวรรณไม่ยอมให้นางยักษณีเข้าไปข้างในพระศัสดาจึงรับสั่งเรียกท่านพระอนุนเทระมาแล้วตรัสว่าอนุ์เธอจงไปเรียกนางยักษณีนั้นมาพระเตระเรียกนางยักษณีนั้นมาแล้วนางกุลธิดากราบดุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษณีนั้นมาแล้ว พระศาสดาตรัสกับหญิงนั้นว่าให้นางยักษณีมาเถิดเจ้าอย่าได้ส่งเสียงไปเลยแล้วได้ตรัสกับนางยักษณีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับ เหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สกรอและของกากับนกเขาเหตุไนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระ ง, งับได้ด้วยความไม่มีเวรหาร ง, งับได้ด้วยเวรไม่แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าในการไหน เวนทั้งหลายในโลกย่อมไม่ระงรับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงรับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่านะหิเวเรนะเวรานิสัมันตีทะกุทาจันังอเวเรนะจะสัมันติเอสะธัมโมสะนันตโนเนมันดา บทเหล่านั้นคำว่านะฮิเวรนะคือย่อมไม่ระงับด้วยเวนเป็นต้นนี้กว่ามว่าเหมือนอย่างเวลาที่บุคคลเมื่อล้างที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นนั่นแหละย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่สะอาดหายกลิ่นเหม็นได้ โดยที่แต้ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกนิ้ฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวนให้หระ ง, งับด้วยเวณได้โดยที่แต้เขาชื่อว่าทำเวนนั่นเองให้ยิ่งขึ้นสันนั่นเดียว แม้ในการไหนๆขึ้นชื่อว่าเวนทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวนโดยที่แต่เวนย่อมเจริญตายเดียวด้วยประการเจนี้และก็ที่ว่าอะเวเรนะจะสำ ม, มันติก็แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวนหมายความว่าเหมือนอย่างเวลาที่ของไม่สะอาด มีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นถูกบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใส ย, ย่อมหายหมดได้ที่นั้นย่อมเป็นที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระงับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมไม่ถึงความไม่มีด้วยความไม่มีเวรคือด้วยน้ำคือขันติและเมตตาด้วยการทำไว้ในใจ โดยแยกกายและด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเดียวข้อที่ว่าเอสะธรรมโมสะนันตโนคือธรรมนี้เป็นของเก่าความว่าธรรมนี้คือความสงบเวณด้วยความไม่มีเวรเป็นของโบราณคือเป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจก พระบุตรเจ้าและพระกี่นาศบทั้งหลายที่ดำเนินไปแล้วในการจบพระคาถานางยักษ์นีนั้นตั้งอยู่ในโซดาปฏิปัแล้วเทสนาได้เป็นกาถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วประศาสดาได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษ์ศีเธอ แค่แต่พระองค์ผู้เจริญในหมอมชั้นกลัวเจ้าอยากกลัวไปเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าจากนางยักษิศีนี้นางนั้นจึงได้ให้บุตรแก่นางยักษ์ศรีนั้นแล้วนางยักษิศีนั้นอุ้มถาโรคนั้นจุ่มพิษและกอดแล้วคืนให้แกมาดาแล้วก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้น รัศาดาถามนางยักษณีว่าเจ้าร้องไห้ทำไมนางยักษณีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนถ้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ถ้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรลาดับนั้นระศาดาจึงตรัสปลอบนางยักษณีนั้นว่า เจ้าหยามิตกไปเลยแล้วตรัสกับหญิงนั้นว่าเธอจงนํานางยักษ์ศรีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีหญิงนั้นจึงนํานางยักษิศีไปให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือก ซากปรากฏแกนางยักษณีดุดทุบศีรษะยักษณีจึงเรียกนางกุลติดาผู้เป็นสหายมาแล้วกล่าวว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้ผู้อันหญิงสายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้คือในโรงศาบข้างตุ่มน้ํา ริมเตาไฟริมชายคาริมกองหยากเยื่อริมประตูบ้านก็กล่าวว่าในโรงศากนี้สากย่อมปรากฏดุดต่อยศีรษะของฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้ํานี้พวกเด็กย่อมราดน้ําที่เป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่อมมานอนที่ริมชายคานี้ พวกเด็กย่อมทำสมกบกที่ริมกองอยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่อมเทอยากเยื่อที่ริมประตูบ้านนี้เด็กพวกชาวบ้านย่อมเล่นการพนันกันด้วยคะแนนแล้วก็ได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียคระนั้นหญิงสหายจึงให้นางยักษิศีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้นำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นอย่างดีไปเพื่อนางยักษ์ศีนั้นแล้วเลี้ยงดูอยู่ในที่นั้นนางยักษิศีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสายของเรานี้มีอุปการะแกเราเป็นอันมากเอาเถิดเราจะทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วจึงได้บอกแกหญิงสายว่า ในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเติดในปีนี้ฝนจะแรงท่านจงทำข้าวกล้าในที่รุ่มเติดข้าวกล้าที่พวกชนที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินกลางนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้น ได้พากันถามนางว่าแม่ข้าวคลาดที่หล่อนทำแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อยเกินไปก็หล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแรงแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรน้อแลฝ่ายนางนั้นได้บอกว่าก็นางยักษณีผู้เป็นหญิงสายของฉัน บอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคำของนางยักษ์ศีนั้นด้วยเหตุนี้ข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีก็พวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือนอย่างเนืองนิดอย่างนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้น ฉันนำไปให้นางยักษ์ศรีนั้นแม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษ์ศรีบ้างสินางยักษ์ศรีก็จะแลดูการงานของพวกท่านบ้างก็ในกรน้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิน้นพากันทำสักการะแก่นางยักษิศีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมา นางยักษิณีแม้นั้นก็ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้เกิดลาบอันเลิศและมีบริวารมากแล้วและในการต่อมานางยักษิณีนั้ น, นก็เริ่มตั้งสลากพัดแปดที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แหละเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษิศี